ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมาเณรทั้งหลายวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยี่ิบเจ็ดความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี ถ้า แ, แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลาคาญ ร, ร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็ปิ่ก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แคล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทําไมเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างงี้ ว่าเวลานี้ดินข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ได้ว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเ <c oughs> วลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององ3อมองก็โจมตีเรื่องเชื่อใ น, นมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนซสีก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทามนเลอ ะ, ะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> รวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวไร้ใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสะเก็ดความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนพระเป็นอุปกิรเลยดังนั้ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนําเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอ น, นนท์ทำแล้วพระอนนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นผู้ตุผาถักเป็นพระอุผาถ ม, มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจา้า ถ้าน้ำมน์ไม่ดีถ้าพระอนนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องร่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนนท์บอกให้พระอนนท์ศึกษาเมื่อพระอนนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ดา่ดาคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าโดยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพเจ้าทรงประ โซนัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คำว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคนเดียวถีวันนี้พาออาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็นงขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังใ น, นเรื่องภายในจะสุม 4, สี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระพู้มีระภาเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองยังในทรงตัดพระธรรมทีสนานิว่ามัตตาสุขะปิจาคาเป็นต้น เนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไผ่สรีซึ่งมีนาจาัดติดต่อกับเมืองเมืองของก ร, ก, ร ก, รกรุงระะัชย์ฤมหาคนครเวลานั้นเมืองไผ่สรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งผลไม่ตกต้องตามดูการ แล้วก็เกิดโรคคนก็อดโรคก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสาลีกับเมืองราชคฤนีอยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกันเป็นแถวแอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามา ร่างกายสุดโทรมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอาหอาหิวาตกโรคกคมาเมื่อ อ, ห, อหิวาตกโรคนี้เขาบรรดาญาติโยงพุทธบริษัทอหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาแปลวา่าอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้น คือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไม่ได้นะคำว่าไอฮิวาแต่ก็โรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษแมงพิษแม ง, งโอเจนัยคนที่เป็นโรคอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงู ก, กัดเวลานั่นการแพทย ก, ก็ดีแต่แ ว, ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายเกินเกงรงกระตัด เม่ออีวาเธอกระโรคมาตายยังเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยแย่ทันพิ้งฝดหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอามนมุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งสกินแล้วก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมาเย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงาถนท้องพระโร์จริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดรัชกาลมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชัชกาลนี้เป็นรชัชกาลที่ 8. แปดใหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นปนพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากด้วยกันนะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจำมานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมือง น, นี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบ า, ารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดตจังรเดชนตริการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอร่ายการที่แปลกเข้ามาโรคหนักจริงๆเ้าก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงทรรพระราชาทั้งกว่าดีแสนดีจึงประชุมอํามัยฆ่าราชบริพาปราปโรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบ ส, ว น, สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาบรรชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในสินนิธรรม ท, ทุกอย่างแต่บากเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารที่หาในยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปีสองพันห้ารอยี่ิบเอดของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกสโลกายและภัยเกิดจากโรคโรคท่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพิจาค่าพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นั่งหกพวกเดลทีก็บอกว่าถ้าเป็นนําอาจารย์ณัหกมาอาจารย์นัหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงบำบัดขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในวิเชตวันมหาวิหาร ไม่ว่าเห็นจะไปปั้นมันหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาโจนที่จะเข้าพรรษากนหมายความทุกปีที่สองมันรู้เอาไปเสด็จสมาธิปุถยานเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าสรงอบัติเกินแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคไข้ไขเจ็บปัญจาหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันเพราเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกที่มีมานานแล้วโรคมันก็มีแปลว่าสมเด็ดพจพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริง ขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิธรมารเข้ามาก ร, รุงราชคลคร่เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริสัทรเป็นประสูดาบันกันเป็นแถวแถว ท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยไม่เมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจำใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าฤชวีองค์นี้กับลูกชายเขาบริหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคกหานครเมื่อท่านรับอนุมัติก็ส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสานความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พ ร, ระเจ้าพิมพิสารบัถวาย มีพก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากครับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นเหมือนไอ้โรคตายตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมาหลายสมัยในชีวิตผมน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันยาาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างนี้พระในวัดหนาวกันไปแถวแถวนี่แหละครับอย่าประมาจจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นแหละสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคฉาหมอตายเป็นแถวแถว รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกผมผมเองก็ไปรุกสิทธ์พระพุทธเจ้าพู้ภาษาไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปแล้วไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองแจวเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยบ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนตเอง มันเจ้าพระเจ้าฤฉวีก็ลูกชายกขาบุรหิิก็ไปกราบทูลอง์สมเด็ดจพระจอมจะให้พระทรงพระธรมศาสดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบ พ, พิจารณาดูตามเริ่อำนาจพุทยญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความเสื้ออาอนของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขโรกหาเริ่มหายไป และก็บริการในสองท่าระฟันแดงวตัตรมรรตศาสนารัตนสูตรเพื่อยานีทภูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหาหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสนาาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันขึ้นหนึ่งไม่เบียดบีนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขมโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกโหกหมดเท็ดไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเพื่อเจอือเลวไหลไม่ินทาชาวบ้านแล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกเมืองไทยารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิม <c oughs> แต่ว่าจะให้หมดไปที่เดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เจอว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงเลยคนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระพุทธจเจ้าทรงทราบด้วยนาพพุทธยานก็ทรงรับวัตถ า, าคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าพรกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจ ะ, ะเสด็จไปเมืองภัยสาลีหรือพระพุทธเดียวกาพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตถ า, าคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่บาเวรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแค่สิบวันก็ก่ามจะเข้าบรรษ า, า, าพระเจ้าพิมิสานี้กลาบถึว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพระเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจา้ากมุมารดาะสงห้าร้อยรูประยะเวลทางสิ้นทางไกลห้ายโยนแล้วก็จัดตกไม้ห้าสีโรยปลายด้ี่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จต่อพุทธดาเนน เวลานั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จจิ้เอารม่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสองห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้ามฟากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกันยาประประดับประดาและสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มากห้าร้อยโองนั่นเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยไปที่ยงเดินตามเรือไปมือปนมไปไหว้พระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ชีมีเจ้พระกามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็ากคอยพระองค์อยู่ที่นี่จงกว่าจะเสด็จกลับพระเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโยธแล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่การไม่ทราบข่าวว่าพระเจ้าปิปิสารทาอย่างนั้นราชาเมืองภัยซาลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้าแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยต์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถน้นจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าเป็นสีมสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสง์ฉัดคือร่มในฉชัดตังบารมรมแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝังนี้ร่มหม น, นึ่งชั้นทำให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งโน้นข้เมืองไผ่ศรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ำท่วมแค่เขาบางบางหงส์างแห่งน้ำท่วมแค่ อ, อ, อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครต่างลงในแม่น้ำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งประดิษฐ์โกลโพสรกสตั้งหลายแ่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ำคงคาหมดส่วนเลอะเทอะ ต, ต่างๆก็แลวมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระวิมานสมเด็จเระบรมในเขต เ, เ, เ, เมืองพายาลี <c oughs> เข้าไปในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบัณิแก้วก็ทรงเรียกพระอนุนว่านันทาดูก่อนอนน์จุมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยาณีทภูตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบๆเขตของเมืองพายาลีทั้งสี่ทิศ ถ้านนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เอบายพระองค์สมเด็จพระบาทีแก้วอาบายพระพุทธเจ้าใส่น้ำเห็นไหมเริ่มทำนมนตวิธีทำนมนต์ของพระนนคือหนึ่งอารัธนาบ ร, รมีพระเจ้าสามสิบทัดคือบ ร, รมีปกติที่เราบ ร, รมีเฉยๆสิบทัดอุปบาบรมีสิบทัด ปรมาทบรมีสิทธัสแล้กวก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจกาก้าบระการแล้กวก็จริยาสามระการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตัทธจริยาที่พระพุทธเจ้ <c oughs> า ท, ทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พยา พุทธตาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้มรุมาคผลและการรัตนาความดีของสมเด็จจินนาสีในการก้าวลงสู่เบ็ดขันในภพที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพระเนศกรมของพระพุทธเจา้าและพระเจ้าทรงทําความเปลียนัเปลี่ยนถึงหกปี ต่อมาความดีพระองค์บารมีช่วยชำระมารเป็นหลอดเจอารัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเหนือบันลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์การยังธรรมจักรการที่พระพุทธเจ้าทรงรแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญบักคีหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อรัตนาโลโ ก, กตระโลโ ก, กตระธรรมก้าวไปไกลคือมรซีพผลซีนิพานหนึ่ง ได้กระโจนดาปริมักสกิธาคามิมักอนาคามิมักอนหัตตมักพระโจดาทิ่ปฏิผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลอนัตผลแล้วก็นีพ่านอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอรัธนาบารมีทั้งหมดเจ็ดพระนนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดญาณีตะูตาฮเรื่อยไป ในกําแพงทั้งสามด้านเพื่อเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมาเกี่ยวกับสวดรัตนสูตรญาณีเถพรตานิสมาขตาณิวายาเถพะท่านรู้แล้วท่านบอกว่าเมื่อพระอนนท์ใช้ศัพท์คําว่ายังกินจิตเท่านั้นเป็นตน้นเป็นนคำว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่นานก็สาดน้ำไปด้วยธนมน่ะ อย่าลืมพนระธนโมธนบท น, นี่นะก็ศาสตร์น้เคยไปเบื้องบนน้ําขึ้นไปลอยขึ้นบงบนตกกลมาตกลงก็มอมก็มอมว่ามานุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพลานไปหมดถ้าบ่อยจาเดิมโดยการกล่าวเรียกคาถาว่ายานีทะพูตานิเป็นต้นหยดน้าเป็นราวกะว่า เธอืธอชดดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยมันดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใด น, นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี่นะเขาบอกว่าจำเดิมเต่ บ, บทว่ายังกินจีเป็นต้น อันมเทระกาแลบรรดาอักมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเม่น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววีงหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเย่กว่ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นกว่าดีก้นหนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบั่งประตูนี้เท่าที่มีประตู ใ น, นบกันดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดข้าออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทำลายกำแพงหนีไปมาหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเห็นมานคอนด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าปิดด่านอวิจิตด้วยทองคำเป็นต้น ตกแต่งพุทธาจนำพระเดชสมเด็จพรกกะบรมหลวงพ่อนาศเด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากริ๊กซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวลาวหมดแล้วที่จะหมดเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบา ร, รมีขององค์สมเด็จไปจอมไตรมีผลมากอารบรรดาเพื่อนบิสุสมเณี น, น, นังไหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุญผลยงมีแดบันดาทรรมพุทธศาสนิขกชนและเพื่อนพิเศษสมันเลนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี